นิบบานังประมังสุนยังนิบบานังประมังสุขังประมังสุนยังนี้แปลว่าอะไรก็คือว่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ว่างจากลาบยศสรรเสริญว่างจากรูปเสียงกดลดิ่นรสโผฏฐะว่างจากความโลภ ค, ความโกรธความหลงว่างจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้าว่างจากสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็จะเป็น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 จึงต้องปลีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่ว่างจากราบยศสรรเสริญว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสปทภาต่างๆเรียกว่ากายวิเวกกายว่างจากสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความทุกข์ในคราบของความสุข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 ระหว่างเวลาที่มีเสียงกระทึกคึกครมกับเวลาที่ไม่มีเสียงนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรต่อสภาพจิตใจถ้ามีเสียงกระทึกคึกครมมันก็จะมาก่อกวนสร้างความไม่สงบให้กับใจ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 ถ้ากายไม่เว้เวก้กายมีเรื่องราวต่างๆมารบกวนใจอยู่เรื่อยๆ เ, เช่นมีเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะะนิดต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจอยู่ใจจะไม่มีวันที่จะสงบได้ เมื่อใจไม่สงบใจก็จะไม่ว่าใจก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่นักบวชเหลือผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงจึงต้องเปลีกวิเวกันต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่ห่างไกลจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผทธภะเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้บอกสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการบำเพ็ญเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่คือปรมังสุขขังว่าให้อยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามเงื่อมผาบ้าง อยู่ตามถ้ำบ้างอยู่ตามเรือนร้างบ้างอยู่ในป่าช้าบ้างเพราะสถานที่เหล่านั้นแหละเป็นสถานที่ที่จะว่างจากราบยศสนเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผทถภา่ อ, อใจได้อยู่ห่างไกลจากราบยศสนเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผทถภา ใจก็จะเข้าสู่ความว่างของใจได้เข้าสู่ความสงบได้แต่ใจจะไม่เข้าสู่ความสงบได้โดยลำพังถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะปาศจา ก, กล า, า, กาบยศสลรเสยแล้ว แต่ภายในใจใจยังไม่ว่างจากกิเลสตัณหาจากความโลภความโกรธความหลงจากการมตัญหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาใจต้องใช้ธรรมคือสติเป็นผู้ดึงใจให้ออกจากกิเลสตัณหาออกจากโมหะอวิชชา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 ก็จำเป็นจะต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะถ้าไม่ได้เจริญเดี๋ยวก็จะถูกกิเลสตัณหาฉุดลากใจให้กลับไปหาลาภยศสรรเสริญกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสพุทธะอีกถึงแม้ร่างกายจะออกมาแล้วแต่ใจก็ยังอดที่จะคิดถึงลาภยศสรรเสริญ คิดถึงรูปเสียงกิ่นดโพุทธภาไม่ได้ถ้าคิดบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความอุดเห็ดนำคาญใจจนทนที่จะอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่ได้จำเป็นจะต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นดโพุทธภาห า, าลาบยศสรรเสริญต่อไปดังนั้นเมื่อได้ไปปิดวิเวกแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยควบคุมกิเลสตัณหาไม่ให้มีโอกาสมาฉุดลากจิตใจให้กลับไปสู่ความวุ่นวายของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของาลาภยศสรรเสริญถ้าไม่เจริญสติแล้วจะไม่สามารถอยู่ได้จะไม่สามารถปีกวิเวกได้เพราะจะทนอำนาจของกิเลสตัณหาที่จะมาคอย คอยผลัดดันคอยทิ่มแทงหัวใจให้มีความหงดหิดดำคาญใจจนจะจนทนไม่ไหวจนต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโพธพะกลับไปหาราบยศสารเสรินนี่แหละคือประเด็นสำคัญคือประเด็นแรกก็คือต้องให้กายวิเวก เมื่อกายวิเวกแล้วก็ต้องทำใจให้วิเวกใจจะวิเวกได้ก็ต้องมีสติสตินี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะคอยดึงใจไว้ไม่ให้กิเลสตันหาโมหะอวิชชาฉุดลากให้ใจกลับไปหาความวุ่นวายมาอีกดังนั้นผู้ที่ใบปีกวิเวกแล้ว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 เดี๋ยวไม่นานใจก็จะคิดปุงแต่งไปทางของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาพอคิดปุงแต่งไปทานนะงนั้นแล้วใจก็จะเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดนำขานใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาจนไม่สามารถอยู่เฉยๆได้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 รับประทานอาหารกำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวกำลังกวาดบ้านถูบ้านกำลังซักเชื้อผ้าไม่ว่ากาลังจะทำกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ให้ใจเฝ้าอยู่กับการกระทำกิจกรรมนั้นเพียงอย่างเดียว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 จเจริญสติเพื่อไม่ให้คิดก็ถูกกิเลสมาหลอกว่าน่าจ ะ, จะเจริญปัญญาจะดีกว่าปัญญานี้มีคุณค่ามีมีความยิ่งใหญ่กว่าสมาธิแต่ไม่รู้หรอกว่าการที่จะคิดไปในทางปัญญาได้นั้นจำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนั้นผู้ปฏิบัติถึงม ม, มักจะหลงทางกัน พอจเจริญสติไปได้สักเพียงเล็กน้อยก็เกิดความคิดว่าอยากจะออกทางปัญญาทันทีพอออกทางปัญญาก็ปล่อยให้ใจคิดโปร่งแต่งแล้วในที่สุดก็กลายเป็นความคิดพฟงซ่านขึ้นมากลายเป็นความคิดตามอํำนาจของโมหะอาวิชชาของกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ทนอยู่กับสภาพ ที่ห่างไกลจากาลาภยศสรรเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพไม่ได้ก็จะถูกโมหะอาวิชากิเลสตัณหาหลอกให้กลับไปหาราภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพใหม่ดังนั้นพยายามระมัดระวังอย่ยาไปตกตหลุมพรางของโมหะอาวิชากิเลสตัณหา ที่จะพยายามหลอกล่อไม่ให้เจริญสติเพื่อหยุดความคิดหมุนแต่งเพื่อให้จิตเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบที่เป็นความสุขที่แท้จริงนี่คือเวลาที่เราจรินสติอย่าไปคิดถ้าคิดแล้วก็อย่าไปเจริญสติให้มันเสียเวลาเจลินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เราเจริญสติเพื่อหยุดความคิดเพื่อทําใจให้สงบเพื่อทําใจให้มีความสุขเพราะถ้าเราไม่มีความสุขเราจะไม่มีความพอใจเราจะไม่มีความพอใจกับการปลีกวิเวกับการอยู่ห่างไกลจากรากยศสรรเสริญเวลาเผลอไปคิดถึงทางของกิเลสตัณหาก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา เกิดความหมุดหดลำคาญใจขึ้นมาจนทนไม่ได้ที่จะอยู่ในสภาพที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสปวดภทพะไม่มีลาบยศสรเสริญแล้วก็จะต้องกลับไปสแสวงหาราบยศสรเสริญแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสปพดภทพะต่อไปการปฏิบัติก็ถือว่าล้มเหลว ปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มีความแน่วแน่ต่อการเจริญสตินั่นเอง <c oughs> ผู้ที่สามารถเจริญก้าวหน้าไปได้ก็คือผู้ที่มีความแน่วแน่แนต่อการเจริญสติจนสามารถดึงใจให้ออกจากอิทธิพลของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา รวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายความสุขที่ได้จากความว่างของใจพอได้ความสุขของสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็จะมีกําลังที่จะพิจารณาทางปัญญาได้ จะมีกำลังที่จะต่อต้านโมหะอาวิชากิเลสตัณหาที่จะดึงจิตให้ไปคิดในทางของกิเลสตัณหาของโมหะอาวิชชาจะสามารถดึงจิตให้คิดไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดได้เส้นให้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงก็จะพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่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 ปัญญาก็จะเกิดความกลัวทันทีเวลาคิดถึงความแก่เวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาคิดถึงความตายจึงจำเป็นจะต้องเจริญปัญญาอย่างสม่าเสมอเหมือนกับตอนที่เจริญสติเวลาเจริญสติก็เจริญสติตลอดเวลายกเว้นเวลาที่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็หยุดเจริญสติชั่วข่าวหยุดการบริกรรมชั่วข่าวแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพอทํางานนั้นเสร็จแล้วก็กลับมาบริกรรมใหม่เช่นเดียวกับการเจริญปัญญาพอออกจากสมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ตลอดเวลาจนมันติดอยู่กับใจตลอดเวลา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 เป็นอสุภะคือไม่สวยไม่งามความสวยความงามนี่เป็นเหมือนกับกระดาษที่เราเอาอุจจระมาหอ่อเอากระดาษสวยๆมาห่ออุจจระถ้ามองจากข้างนอกก็จะเห็นกระดาษสวยๆก็คิดว่าหอ่อขนมที่อร็ดอร่อยแต่พอแกะกระดาษออกดู ถึงไปเจออุจจาระที่ห่อไว้อยู่ฉันใดร่างกายนี้ก็เหมือนกับกระดาษที่ห่อหุ้มสิ่งโสโคร ก, กสิ่งที่ไม่สวยไม่งามอะไรที่หุ้มหอ่อสิ่งที่ไม่สวยไม่งามก็คือหนังบางๆนี่หิวหนังบางๆนี้ที่หุ้มหอ่ออวัยวะต่างๆของร่างกายหุ้มห่อ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 สิ่งที่สปกปรกสิ่งที่น่าเกลียดนี่กลับมองไม่เห็นก็เหมือนกับกระดาษสวยๆที่เราเอามาห่ออุจจาระนี่ห่อแล้วก็ติดวิบเบิลแล้วก็เขียนการบวยพรวันเกิดลอมส่งไปให้เพื่อนที่มีวันเกิดดูดูซิว่าเขาจะยินดีหรือไม่พอเปิดกระดาษดูเนี่ยเป็นลมเลย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 มันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ภายใต้ผิวหนังนี่แต่กลับมองไม่เห็นกันกลับมาหลงไหลข้างใครมาประกวดกันว่าสวยว่างามมีลังวงรังวันออกอากาศผ่านทั่วโลกไปดูไปทุกประเทศใครๆก็หลงไหลข้างใครกันว่าสวยว่างามนั่นก็เป็นเพราะว่าดูแต่กระดาษที่หุ้มหอ่ออุจจะละ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 พอออกมาข้างนอกพบปะผู้คนมองไม่เห็นแต่เราอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ปัญญาเรียกว่าสัญญาถ้าสัญญาต้องเห็นตลอดเวลาเวลาพิจารณาอยู่ตามลำพังอยู่ในทางเดินจงกรมอยู่ในขณะเวลานั่งสมาธิอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเห็นจริงจะเห็นจริงต้องเห็นเวลาที่เจอร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม พอเห็นปุ๊บนี่ต้องเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นธาตุสี่เห็นดินน้ำลมไฟแยกออกมาจากร่างกายเห็นอสุภะเห็นอาการสามสิบสองที่ถูกผิวหนังปกปิดหุ้มคอไว้อยู่นี่แหละถึงจะเรียกว่าเห็นจริงถ้าเห็นอย่างนี้แล้วปัญหาความอยากนี้จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้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 นี่คือวิธีการของการที่เราจะเข้าหาความว่างเข้าหาความสุขที่แท้จริงต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วนาเอาวิธีของการปฏิบัติมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจที่อยากจะได้สัมผัสกับความสุข ที่เกิดจากความว่างอยากจะสัมผัสกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายที่เรียกว่าปรมังสุขขังปรมังสุ ข, ขังจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีปรมังสุนญา์ปรมังสุนญา์ก็คือใจต้องว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากราบยศสรรเสริญไม่คิดถึงเรื่องการหาราบยศสรรเสริญ ไม่คิดถึงการดูแลรักษาห่วงใยลาบยศจลเสริญไม่คิดถึงการหาความสุขทางตาหูจมูกรินกายไม่คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงไม่คิดไปในทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปรมังศูนอย่างคำว่าปรมังศูนยอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า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 สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผลก็คือทุกขังก็จะเกิดขึ้นมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขังนั่นเองไม่ว่าลาบยศสารเสริญไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความโลภความโกรธความหลงก็เป็นความทุกข์เวลาโลภแล้วใจมันสุขหรือทุกข์กันแนะ่เวลาโกรธแล้วใจมันสุขหรือมันทุกข์กันนะ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 ผู้บวหลังก็เป็นพันเตแล้วสลับกันยังไม่รู้พันเตนี่เป็นผู้อวุโสอาวุโสนี่กลับไม่ใช่เป็นผู้อวุโสภาษาบาลีกับภาษาไทยเราจะใช้ตรงกันข้ามกันเวลาพระกล่าวคํากับผู้ใหญ่ท่านจะพูดว่าพันเตเวลาพวกผู้ใหญ่พูดกับพระผู้น้อยท่านจะเรียกพระผู้น้อยว่าอาวุโส เวลาแสดงอาบัตินี้อาบุโสอรือพันเตอามะพันเตเนี่ยเวลาญาติโยมขอศีลแล้วพระให้ศีลญาติโยมก็ว่าอามะพันเตคําว่าพันเตนี้แปลว่าท่านผู้ใหญ่อาบุโสแปลว่าท่านผู้น้อยแต่ภาษาไทยเรามาสลับกันเรามาเรียกผู้น้อยว่าเป็นผู้อาบุโส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 ผู้รับใช้ที่เป็นช่างตัดผมชื่ออุบาลีขอบวชตามด้วยเวลาที่จะบวชเจ้าชายทั้งห้าลูกก็เลยปรึกษากันว่าน่าจะให้อุบาลีเป็นผู้บวชก่อนเพื่อที่เวลาเขาบวชแล้วเขาจะได้เป็นอพันเตแล้วพวกเราจะต้องกราบอุบาลีนี่แหละคือการบวชที่แท้จริง บวชเพื่อละอัตตาตัวตนละราบยศสรรเสญสุขจริงๆต้องบวชแบบนี้อุบาลีก็เลยต้องบวชก่อนแล้วพวกเจ้าชายคือพระอนุนพระอนุทะะอนุอนุรุษพระเทวทัตเนี่ยนี่เป็นเจ้าชายที่บวชพร้อมกันห้ารูปเดยกันพอบวชเสร็จแล้วเวลาเจอพระอุบาลีก็ต้องกราบพระอุบาเลก่อน พราะพระอุบาสีท่านบวชก่อนท่านเป็นพันเต้นผู้บวชหลังก็ถึงแม้ว่าจะห่างกันเพียงหนึ่งนาทีก็ถือว่า่านกันแล้วเวลาพระเจอกันนี่ท่านจะต้องสอบถามก่อนว่าใครเกิดก่อนใครใครบวชก่อนใครจะได้รู้ว่าคใครควรจะราบใครไม่มีความเก่งใจกันเอา ธรรมะเป็นหลักถ้าเกรงใจกันก็บางทีโอ้ยเขาอายุมากกว่าเราเขามีฐานะเดิมดีกว่าเราถึงแม้เราจะบวชกับเขาเราก็เกรงใจเขาไม่อยากจะให้เขากราบเราเขาก็ไม่อยากจะกราบเราเพราะเขาก็ยังติดอยู่กับฐ า, านะเดิมของเขาอยู่อันเป็นอาทิตย์บดีเธอเป็นซีสามซีสี่จะมาฉันกราบเธอได้ยังไง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 แล้วก็ต้องมากำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าสามารถทำได้แล้วใจก็จะว่างแต่ไม่ได้สูญหายไปไหนใจของผู้ที่บรรลุพระนิพพา น, านกับของผู้ที่ไม่บรรลุพระนิพพา น, านก็ยังยมีอยู่เท่ากัน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 เราก็เลยต้องอยู่กับความทุกข์ไปดังนั้นเราอยากไปตั้งความสุขไว้กับสิ่งที่มันจะต้องหายให้ตั้งความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่มีวันหายสิ่งที่ไม่มีว mm ันหายก็ค ah ือความว่างนี้เองอยู่ได้จิตไม่มีราบยศสละเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะอยู่ได้อยู่มีความสุขยิ่งกว่าจิตที่อยู่กับราบยศสระเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะ นะจิตพระอรหันต์กับจิตพวกเราเป็นอย่างนี้จิตของพระอรหันต์จิ ต, ข อ, าาจตของพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับความว่าแต่จิตของพวกเรานี้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่กับลาบยศสารเสริญพอสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปเป็นยังไงวุ่นวายกันไปหมดะจะเป็นจะตายกันให้ไ ด, หด้เหมือนกับขาดลมหายใจนี่แหละคือความหลงมันหลอกให้เรา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 เวลาเกิดความโลภ ก, ก็ต้องตัดมันทันทีเกิดความโกรธก็ต้องตัดมันทันทีเกิดความหลงก็ต้องตัดเกิดความอยากก็ต้องตัดด้วยตตยลักพอมีตายรักมีอสุภะแล้วข้าศึกจัตุรูที่จะมาทำลายความว่างความสงบของใจก็จะไม่สามารถเข้ามาทำลายได้ใจก็จะสงบไปตลอดพอสงบไปตลอดแล้วก็เลยเรียกว่าปรมังสุขขัง ว่างไปตลอดก็เรียกว่าปรมังสุญญ์อย่างนี่แหละคือเรื่องของพวกเราที่มากันวันนี้เรามาหาความว่างกันเพราะความว่างเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองนิบานังปรมังสุญญงนิบานังปรมังสุขขงังไม่ใช่เป็นของที่สุดเอื้อมของพวกเราถ้าสุดเอื้อมแนละ้วพระพุทธเจ้าไม่เสียเวลามาสอนให้เสียเวลาไปเปล่าปล่าเพราะว่ามันอยู่ในความ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 เดี๋ยวต่อไปนี้ก็ให้ญาติโยมถวายข้าวของขอให้เข้ามาทางด้านหนึ่งแล้วก็ออกไปด้านหนึ่งเป็นถนนวันเวจะได้ไม่สวนกระแสะกันขอให้มาทางข้างบนแล้วออกมาทางข้างล่างนี้แล้วเวลาขึ้นมาต้องการหนังสือซีดีก็หยิบไปได้เลย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 แต่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะไปทางนั้นเขาอยากจะไปทางที่ทําให้เขาเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาเราก็ไม่ควรไปทุกข์กับเขาเพราะก็ว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดเขาก็ทุกข์เขาก็เสื่อมเสียของเขาเหมือนเดิมอยู่แต่เรากลับไปทุกข์แทนเขาอีกทำไมเราก็เพียงแต่รับรู้เท่านั้นเอง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 คำถามข้อต่อไปจากคุณญิงลวินกน้อยนะครับผู้ที่ทำบุญสร้างบุญเสมอเสมอด้วยเงินที่ได้จากอาชีพที่หากินโดยการเบียดบังคดโกงคนอื่นทำมาหากินไม่สุจริตจะมีผลอย่างไรกับชีวิตของเขาบุญที่ได้จะทดแทนบาปกรรมได้หรือไม่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 เวลาขึ้นศาลศาลอาจจะพิจารณาความดีที่เราทําไว้ก็อาจจะลดหย่อนผ่อนโทษของของการกระทําผิดของเราได้อันนี้มันก็มีส่วนในลักษณะอย่างนี้แต่าจะไปลบล้างบาปเลยทีเดียวมันไม่ได้ศาลเขา้ายังก็ต้องตัดสินว่าผิดเพียงแต่ว่าศาลจะมีความเมตตามากน้อยเพียงไรถ้าเป็นบุคคลที่ มีคนประโยชน์กับสังคมสารก็อาจจะมีความเมตตามากแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมสารก็คงจะไม่เมตตามากดังนั้นคนที่ถึงแม้ว่าจะทําบาปแต่ก็ยังทําบุญอยู่ก็จะบีศักิ์ศีมีเปียได้ได้เปรียบ ก, กับคนที่ทําบาปแล้วไม่ทําบุญคือตัวอย่าง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 คำถามข้อต <laughs> ่อไปจากคุณเกิดแล้วเกิดอีกนะครับชื่อดีการเปิดเทศธรรมะครูบาอาจารย์แต่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆงจังนั้นควรหรือไม่ควรอย่างไรก็จะได้ผลบ้างไม่ได้ผลง ถ้าอยากจะได้ฟังได้ผลมากก็ต้องฟังอย่างต่อเนื่องถ้าฟังครึ่งหนึ่งก็ได้ผลเพียงครึ่งเดียวดนั้นเวลาฟังธรรมยังไม่ควรทําอะไรทั้งหลายไม่ควรคิดเรื่องอะไรให้จดจอ่อให้ฟังอย่างเต็มที่จะได้ผลอย่างเต็มที่จะได้บรรลุธรรมได้ผู้ที่บรรลุธรรมนี่เขาฟังเต็มที่เขามีจิตที่สงบมีสมาธิเป็นฐานรองรับปัญญาคือคาคําสอนของพรอพระเจ้า พอฟังด้วยสมาธิใจก็จดจ่อพิจารณาตามก็จะเกิดความเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงที่ได้แสดงไว้ก็จะบรรลุลดท้นจากกองทุกได้คำถามข้อต่อไปจากคุณปุ้ยนะครับความสุขคือสุขที่แท้แต่ทำไมอยู่กับเจ้าความสงบจึงมีความเบื่อมาอยู่ด้วยตลอด เราสามารถประคองความสุขตลอดเวลาได้ไหมหมายความว่าความสุขที่เกิดจากความสงบครับอาจารย์แต่ว่าก็จะมีความเบื่อเข้ามาแทรกตลอดเราสามารถประคองความสงบได้ไหมก็ต้องประคองเหตุที่ทำให้ใจสงบเนี่ยเหตุที่จะทำให้ใจสงบก็คือสติแล้วก็ป้องกัน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 เป็นพราะสติของเรากาลังยังอ่อนใช่ไหมอยากกเปียนถามแนวทางแก้ไขจากพระอาจารย์ค่ะก็สติปัญญาของเรายังไม่มีกำลังมากพอเวลาเกิดตัณหาความอยากที่เอาชนะพูนก็ลืมความจริงไปว่าเราควรจะชนะตนไม่ควรจะชนะพูนเพราะการชนะตนนี้เป็นการชนะที่แท้จริงการชนะพูน ก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นตามมาดังนั้นเราก็ต้องฝึกสอนใจสอนตนอยู่เรื่อยๆว่าตอไปนี้เราอย่าไปเอาชนะผู้อื่นใหเอาชนะตัณหากเกเรของพวกเราที่อยากจะไปชนะผู้อื่นที่ไปเถียงกันปากเปียกปากฉีดนี่ก็เพราะความอยากจะชนะผู้อื่นแล้วเป็นไงพอถกเถียงกันแล้วแทนที่จะรักกันก็เลยโกรธกันเกลียดกันไปก็มี เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าการชนะตนนี้เป็นการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบเขาว่ายัางไงก็โอเคยอมแพ้ยอมแพ้เขาก็ท่ากับชนะกิเลสของเราตอนถึงมีสูตรที่พูดกันอยู่เรื่อยๆว่ายอมหยุดเย็นสามยอจำไว้นะหอยทองสูตรสามย่อไว้ยอมแพ้พอยอมแพ้ก็หยุดที่จะตอบโต้ พอหยุดตอบโต้ใจก็จะเย็นสบายทาไว้นะสามยอนะยอมหยุดแล้วก็จะเย็นคำถามข้อต่อไปจะพูดเป็นประสงค์ออกนามนะครับการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากต้องรักษาสีลห้าจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่ทำไมสมัยนี้เกิดการจังแถมศีลธรรมในใจความละอายต่อบาปก็ไม่ค่อยจะมีหากว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากแต่ทำไมวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดเป็นคนมาได้เช่นการผสมเทียมเด็กหลอดแก้วจนถึงการอุ้มบุญคือจิตที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีอยู่สองลักษณะด้วยกันสต้ตายไปปั๊บแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เลยนี่ แสดงว่าบุญกับบาปนี่มีกำลังพอกันคือบุญก็ไม่ดึงไปทางสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปทางอบายไม่ได้พอตายก็กลับมาเกิดใหม่เลยพวกนี้ก็ก็ถือว่าเป็นพวกที่ยากที่จะเกิดได้เพราะไม่มีใครที่จะทําบุญกับบาปได้เท่ากันส่วนใหญ่เราจะทําบุญกับบาปอย่างใดอย่างหนึ่งไปทางใดทางหนึ่ง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 ลูกมากจะยากจนนัก่นถึงมีพูดนั้นการเนีมาเกิดเป็นมนุษย์คิวมันเลยยาวนะคนหนึ่งนี้เดี๋ยวนี้มีลูกแค่คนเดียวอย่างเมืองจีนเนี่ยนะเขาคอยควบคุมบังคับไม่ให้มีลูกมากจนเกินไปส่วนไอ้ทีไ่ไอ้ทดลองด้วยไอ้เขาเรียกไอ้หลอดแก้วนี้มันเป็นเรื่องกรณีพิเศษกรณีไม่ใช่ทั่วไปแล้วยากคนที่จะทำลดหลอดแก้วได้นี่ต้องเสียเงินเสียทองมาก ไม่ว่าจะครอบด้วยวิธีใดก็ตามจิตที่อยู่ในภาวะที่จะเป็นมนุษย์ก็จะพร้อมที่จะเข้ามามาเกิดได้จิตเหล่านั้นก็ต้องเข้าคิวกันรอกันไปใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับเราไปสอบเอ็นทันอย่างเงี้ยมหาลาัยครับรับได้แค่จํานวนหนึ่งคนสอบนี่มีจํานวนหนึ่งคนที่สอบเข้าไม่ได้ก็ต้องรอคิวหรือต้องไปหามหาลัยที่ด้อยกว่า <บ> <PTSD> ก็อาจจะไปเป็นอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยพอมีโอกาสที่จะมาได้เป็นมนุษย์ใหม่แต่การเป็นสัตว์นี่มันง่ายกว่าเพราะมีปริมาณมากกว่าอย่างมดนี่แมลงนี่เป็นไงจำนวนของเขาเขาเกิดกันทีเป็นคอบเป็นฝูงเลยมนุษย์เราในโลกนี้มีแค่ไม่กี่พันล้านคนแต่นับจำนวนสัตว์โดยเดนรวมไปถึงมดแมลงปลา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 เหมือนกับไปสอบเอนทานใครได้คะแนนสูงกว่าก็ได้เข้าก่อนคนที่คะแนนด้อยกว่าก็ต้องรอไปก่อนรอรอบหน้าไปนี่ถึงเรียกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากยากกว่าการเกิดเป็นเบาชามีคำถามมีข้อส่งมาทางข้อความล่าสุดครับจากคุณป้อมว่านอนสอนง่ายนะครับ <c oughs> การนั่งสมาธิเมื่อได้สมาธิ มากแล้วจนได้ญาณแต่การเดินจงกรมจะได้แต่สมาธิไม่ได้ญาณใช่ไหมคําว่าญาณ น, นี่ก็ผิดแล้วเราว่าญาณ น, นี้แปลว่าความรู้นะส่วนที่สมาธินี้เราเรียกว่าฌานนะการนั่งสมาธินี้เราจะได้ฌานฌ า, า, า, านก็มีอยู่สองระดับรูปฌานกับรูปฌานรูปฌานก็มีอยู่สี่ขั้นอรูปฌานก็มีอยู่สี่ขั้น เป็นความละเอียดที่ต่างกันไปหยาบละเอียดต่างกันไปชั้นขั้นที่หนึ่งก็จะหยาบกว่าชั้นขั้นที่สองชั้นที่สองก็หยาบกว่าชั้นที่สามขั้นที่สามก็หยาบกว่าขั้นที่สี่จุดหมายปลายทางของการเจริญสติก็เพื่อให้เข้าสู่ขั้นที่สี่ที่เรียกว่าอุเบกขาที่สักแต่ว่ารู้ว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆอันนี้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 การเดินจงกรมนี้ถึงมากจะใช้ในการเจริญปัญญามากกว่าเพราะเวลาเดินจงกรมเราใช้เราต้องใช้สังขารสัญญาความคิดปรุงแต่งพิจารณารมต่างๆเราก็เดินได้ได้นานกว่านั่งนั่งไปนานๆมันก็จะเจ็บมันก็จะปวดจะเมื่อยกว่าการเดินเนัเวลาเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วมากจะใช้การเดินเป็นการเจริญปัญญาการเดินการยืนด้วยการทาอะไรต่างๆ ไม่ว่ากำลังทำงานอะไรอยู่ก็สามารถเจริญปัญญาได้ส่วนเวลานั่งนี้จะพุ่งไปที่การเข้าเข้าสู่ความสงบเป็นตัว ย, ยกเว้นในกรณีที่นั่งแล้วเจอทุกขเวทนาตอนนั้นก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวางเวทนา พ, พิจารณาให้เห็นว่าเวทนาเป็นอนิจจงทุกขังวนัตาให้เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจงทุกขังวนาตา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 ถ้าปัญญาพิจารณาได้ปล่อยวางได้ก็จะไม่กลัวความตายต่อไปนี่คือการใช้ปัญญาและการใช้สมาธิสมาธินี่เป็นฌานส่วนเวลาได้ปัญญานี่เรียกว่าปัญญาญาณ น, นี่ก็คือความรู้ว่าตอนเองเห็นเห็นตายรักแล้วเห็นอริยสัจ ส, สี่แล้วหลุดพ้นจาก อำนาจของตานหาแล้วถึงเรียกว่ายานมียานก็คือเหมือนกับเรียนจบแล้วได้รับปริญญาแล้วแบอนี้เรียกว่ายานส่วนชานนี้คือความนิ่งความสงบของใจแต่นี่มันเขียนด้วยชอกระเชยกระยองอย่างนมันบางทีตาไม่ดีมันก็อ่านชานเป็นยานเห็นยานเป็นชาเห <c oughs> มือนกับอาอาวโสเป็นพันเตพันเตอาวโส มันน่าสับสนกันไปหมดถ้ามีใครอยากจะถามอะไรไหมมีครับมีครั บ, รบ<ป>กลับมามัธยมอาจารย์ค่ะเพิ่งมากับเป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะกลับเรียนถามเรื่องการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะ่าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็มีคนฝากมาถามว่าถ้าจะบวชที่นี่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะผู้หญิงผู้ชายเออปฏิบัติธรรมนี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนบวชนี่ผู้ชายค่ะ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 บวโม่ก็ต้องไปติดต่อกับพระที่อยู่กุฏิบวสีที่วัดยานได้ารหมครับถามตการณการครับอาจารย์คือผมกราบเวียนถามว่าคืออันนี้พ่อผมฝากมา คือพ่อผมเป็นคนไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำและนั่งสมาธิพอท่านนั่งสมาธิจิตท่านเป็นสมาธิท่านจะมองเห็นท้องฟ้าและมีแสงสว่างส่องลงมาและมีดาวเต็มไปหมดท่านว่าท่านติดอยู่ตรงนี้อยู่เป็นประจำหยูมาหลายเดือนแล้วท่านว่าท่านแต่ช้านเรื่องธรรมะท่านเลยอยากฝากถามอาจารย์ว่าท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะผ่านจุดนี้ไปได้ครับก็ต้องภาวนาต่อเราใช้วิธีใดภาวนาแล้วก็ต้องภาวนาต่อไป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 ต้องภาวนาต่อไปเวลาเห็นดาวเห็นเดือนเห็นอะไรก็ตามอย่าไปสนใจเราพุโทโธก็พุโทโธต่อไปดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทำให้เราคว้อยเขวลลืมภาวนาไปถ้าเราไม่ภาวนาเราก็จะติดอยู่ตรงนั้น วันนี้ก็ดีหมดปัญหาจะได้จบงานเสร็จงานเสร็จธุระของเราเราจะได้ไปพักผ่อนหลับนอนได้ท่านจัณะเอาของที่จะเป็นเทียนกับที่จะของสาหรับที่จะกระถิ่นค่ะของวัดข้างล่างเหมือนที่เคยทำทุกปีเก็รับแก็รับไปแล้วนุโมทนาแต่กระถินนี้เราไม่แน่นะบางทีก็ลงบางทีก็ไม่ลง แล้วแต่ว่ามีพระอาวุโสมารับหรือไม่ถ้ามีพระอาุโส ร, รับก็เราก็ไม่ต้องลงถ้าไม่มีพระอาุโสเราก็ต้องลงเพราะว่าเป็นกระถินหลวงต้องมีพดัดยศไปกล่าวคำถวายอธิเลกถ้ามีพระอาุโสกว่าท่านก็จะมีพัะยศมาเราก็ไม่ต้องลงแต่ถ้าไม่มีพระอาวุโสกว่าเราก็ต้องลงไป เอาพัดยศไปกาเอาทีเลย <laughs> เราเื่องกติณีเราไม่ได้เป็นผู้รับแลเรามอบให้กับพระที่ท่านลองพระลำดับลองลงไปให้ท่านมีหน้ามีตาบ้างเรามีหน้ามีตาคนเดียวมานานแล้วป่ <laughs> อให้คนอื่นเขามีหน้ามีตาบ้างก็เลยไม่รับกติณี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 วันพระแถนก็จะต่างกับวัดทั่วๆไปวัดทั่วๆไปจะจัดวันแรมหนึ่งค่ำส่วนวัดยานี่ก็จะจัดวันขึ้นสิบห้าค่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกันใส่บาตรวันนี้กับใส่บาตรวันออกเทสออกพรรษาก็ได้บุญเท่ากันอย่าไปคิดว่ามันต่างกันอะไรต่างตรงที่ใส่มากใส่มากหรือใส่น้อย ถ้า อ, อยากจะได้มากก็ใส่มันมากๆอยากได้น้อยก็ใส่น้อยไม่ใช่ไปเลือกวันว่าต้องเป็นวันวิสาขะวันมาค่ะวันออกพรรษาถึงจะได้บุญมากมันไม่มากหรอกมากน้อยอยู่ที่ฝักกระเป๋ามากหรือน้อยรักน้อยก็ได้น้อย คุณอย่างสี่ใช่อช่เขาายเก้าสิบห้าคั่มไม่ใช่แรมหนึ่งคั่มแลมหนึ่งคั่มไปมันออกพรรษาแปดเหร อ, อทำไมอันนี้เป็นเก้าเขาเขียนวัานออพรรษาวันที่เก้าะอันนี้มันขึ้นีัขึ้นสิบห้าค่มเป็นที่แปดเ อ, อ๊ะแต่งัพุธเกนหมการนะดบของตั้งลูที่องวันยา <c oughs> วันที่ก้าของอันนี้คงแบบจันทรคติกับอะไรอออนอันนี้เป็นวันที่กท่านจะทำของที่หมูคนนัเอามาก็ไม่ได้่าวตรงว่าเป็นกระถินนะคะแล้วแต่ท่านจะพิจารณาอก็เป็นของสงไปให้สองพระที่อยู่บนเขาได้แบ่งกันใช้กันเองแต่ถวายเนื่องในวาระเข้าทอดกระถินทั้งนั้นเอง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 ช่วงยี่สิไปแล้วมึงเห็นบอกจะมาก็<ง>าเห็นบอกว่าพวกเราอยากจะเป็นชาภาพ <c oughs> เราเราก็บอกเขาไปแล้วว่า <c oughs> อยากจะเป็นชาภาพ <c oughs> เขาก็บอกว่ามีคนนู้นคนนี้ก็อยากแล้วบอกก็ร่วมกันก็ร่วมกันเอไม่จําเป็นจะต้องมีเจ้าเดียวใครอยากจะร่วมกันมาร่วมกันได้และบวชนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะบวชที่ ที่วัดยาหรือต้องไปบวชที่วัดพระรามเก้าเพราะคราวที่แล้วบวชพระเยอรมันนี้ต้องไปบวชที่วัดพระรามเก้าเพราะพระอุปชาที่วัดนี้ท่านไม่บวชชาวต่างประเทศให้<ม>ท่านบอกว่าท่านพูดภาษาต่างประเทศไม่เป็นมไม่สามารถที่จะสั่งสอนได้<ม><ม>ก็เลยไม่บวชให้<ม><ม>ก็เลยไปขอให้พระ เจ้าวาดที่วัดตระหามกก้าท่านก็เมตตาบวชให้เมื่อเขาที่แล้วที่ท่านมาก็กราบเรียนให้ท่านทราบว่ามีชาวต่างประเทศอสองรูปที่จะบวชท่านก็บอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็พาไปพบท่านได้ mm hmm. ก็คิดว่าอาจจะไปบวชที่นั่นอันนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนตายตัวนะ <Yeah. S 1> ถึงเวลาก็รู้เองบวชที่ไหนวันไหนเมื่อไหร่ <laughs> <laughs> มันทุกอย่างมันอ น, น, นิจจ์มันไม่แน่นอนเเราอย่าไปผูกใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวมันไม่เป็นดังที่เราคิดไว้เมื่อก็จะเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทําแบบสันโดษยินดีตามมีตามโกรธเมื่อไรจะเกิดก็เกิดเมื่อนั้นะถ้ายังไม่เกิดก็ไม่เกิดไม่เป็นไร